ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP3 สแผ่นที่65โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่65ให้คติธรรมว่าทุกชีวิตในโลกนี้ มีความตายเป็นที่สิ้นสุดอันนี้คือการกล่าวเตือนพวกที่ฟังหรือว่าพวกที่ได้ยินในขณะนี้ให้พวกเราอย่าลืมตัวในการเป็นอยู่เพราะชีวิตของพวกเราอีกสักวันหนึ่งจะสิ้นสุดลงไม่ว่าท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งแปลว่าทุกคน ความตายหรือ ว, ว่าความสิ้นไปแห่งชีวิตเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนสิ่งอื่นเป็นอนิจจงของไม่เที่ยงแต่ความตายในเที่ยงเกิดมาเท่าไหร่ไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินชลายตายด้วยกันหมดทุกคนเพราะนั้นเอ็มพสาแผ่นนี้จึงให้คติธรรม เตือนพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทว่าทุกชีวิตในโลกนี้มีความตายเป็นที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ท่านยึงกล่าวถามพระอา น, นุ์ว่าดูก่อนอา น, นุนท่านระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอา น, นุ์ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ละเลิกถึงความตายวันละประมาณร้อยครั้งพระเจ้าค่ะอานน์การละลิกถึงความตายเพียงร้อยครั้งยังประมาทเพราะเหตุไรเพราะชีวิตของเราท่านทั้งหลายเมื่อหายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตายเพราะนั้นให้ละลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละ จึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนี่ก็คือพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพระสาวกหรือสอนพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทที่ได้ยินทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านเตือนพระอา น, นุ์ก็เหมือนกับเสมือนกับเตือนพวกเราด้วยขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีอยู่ณสถานที่ใด สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำในสิ่งเหล่านั้นเพราะพวกเราคิดทำพูดในสิ่งที่ชั่วแล้วความชั่วนั้นจะตามสนองพวกเราจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้พวกเราจงคิดดีทำดีอยู่ตลอด ừ, การทุกเมื่อด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยบา ร, รมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายขอให้คุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกๆ ท, ท่านเทิญ